ขรขอบพระเจาพระทตนตรัยขอบบูชเจาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบคารวะพระอาจารย์นรงฤทธิ์พระอาจารย์สงศิลป์พระอาจารย์นอตพระเถระพันเตคุณสาธมิกก็เจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน วันนี้ก็ตรงกับวบันศุกร์ที่23สิ่งหาคมพุทธศักราช2 5งพร้แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งถ้านับแล้วก็คงน่าจะเป็นครั้งที่5ที่ตูกับผมไดมาได้มีโอกาสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบะการณ์ในการเจริญสติ การมาอยูนะ่วัดป่าสุกโตตอนนี้เข้าพรรษามาก็หลายอาทิตย์แล้วนะว่าไปนะสำหรับภนะิกษุใหมนะ่ก็คงจะปรับเนื้อปรับตัวนะเข้ากับสถานที่บรรยากาศชนะีวิตความเป็นอยู่ได้พอสมควรสำหรับญาติโยมนะที่มาอยู่จำพรรษาก็คงจะนะได้ คุนเคยนะแล้วก็ได้ใช้เวลานะสำหรับการศึกษาปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะย่างยิ่งการเจริญสตนะิมาเรียนรู้กายใจของเรานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเป็นหน้าที่หนระือเป็นภารกิจนะที่สำคัญนะเร่งด่วนนะเพราะว่า ชีวิตของเราไม่แน่นอนนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้นเราจะยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าน น, นี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในความตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เรามีความเพียรพยายามนในการที่จะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่อง ใ, ใจของเรา ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็ได้มีโอกาสไปช่วยท่านอาจารย์ทรงศิลปนะ์จัดอบรมปฏิบัติธรรมนะที่จงังหวัดพังงาโรนะ ง, งแรมอัปสรานะเจ้าของก็เคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะแล้วกนะ็ช่วงนี้เป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงที่มีนะแขกน้อย นะก็ถือโอกาสทำบุญนะซึ่งการทำบุญของโรงแรมนี้ก็ดีเหมือนกันนะชวนเพื่อนๆชวนคนที่สนใะจในจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆที่กรุงเทพนะไปร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสตนะิก็ถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่นะเป็นบุญที่มุ่งส่งเสริมนะให้แต่ละค น, นได้มา เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของตัวเองก็มีคนไปร่วมกันประมาณสัก40กว่าคนแล้วก็มีทั้งส่วนใหญ่นะก็เป็นคนที่มีฐานะเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็มีอดีรตรัฐมนตนระีไปร่วมด้วยคนหนึ่งแล้วก็มีหมอมีทันตแพทย์มีวิศวกรแล้วก็เรียกว่าเป็นคนระดับชั้นปัญญาชนแล้วก็ ได้ใช้เวลาประมาณ5วัน4คืนนะก็ <c oughs> บางส่วนนะที่ตั้งใจปฏิบัตินะก็มีผลอยู่นะคนที่ไม่เด้ตั้งใจปฏิบัติก็ได้นะได้อยู่เหมือนกันตามากำลังนะที่ได้ทำไปนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า เ, าเป็นส่วนหนึ่งนที่สะท้อนกลับมา ที่พวกเรานะอยู่วัดป่าสุกโตนี่เรามีโอกาสดีนะที่จะได้เจริญสติมนาะอย่างเต็มที่นะอย่างกลุ่มคนที่ทำงานคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยนะเขาก็ต้องลาการลางานลาการกันมานะเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมนะแต่อย่างพวกเรานี่ไม่ต้องลาแนละ้วนะเราก็ปฏิบัติได้เต็มที่นะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นโอกาสเป็นโชคเป็นลาภของพวกเรานะที่ได้ม า, าปฏิบัติธรรมนำะมาเจริญสติในการเจริญสติก็คงจะพวกเราคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะในวิธีการปฏิบัตินะก็เพียงแต่ว่าเพียรพยายามทำให้ต่อนเนื่องนะความสาคัญหรือผลที่จะเกิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่ทำอย่างต่อนเนื่องนะแล้วก็ มีความเพียรหน้านะที่กิเลสสติหนะ้ามีความรู้สึกตัวหนะ้าไปในการเคลื่อนไหวของกายอยู่บ่อยๆหนะ้าทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบหนะ้าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งนอกรูปแบบเนี่ยเป็นส่วนที่เราจะอา่าหลงลืมไม่ได้นะทในรูปแบบเนี่ยนะ้เราก็จะชัดเจนอยู่แล้วนะแต่นอกรูปแบบนี่อาจจะ หลงลืมไปบ้างนะตรง น, นี้มันจะทําให้เกิดขัดช่วงขึ้นม า, าการเจริญสติที่เราได้ทํากันเนี่ยนะก็คือการที่เรามามีสตินะรู้ไปในกายให้บ่อยๆเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้นก็จะทําให้เราได้เรียนรู้นะธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจนะที่มันจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะอยู่ตลอดเวลา นะไม่คงที่ไม่คงตัวนะเหมือนดินฟ้าอากาศนะช่วงนีนะ้ฝนฟ้าตกนะที่พังนานั่นฝนช่วง5วันที่ไปอยู่5้าวันที่มาอยู่ไม่ไมตกนิดเดียวนะแดดอากาศร้อนมากนะอากาศผิดกันที่นี่นะความแปรปรวนของอากาศเนี่ยนะมันก็เป็นธรรมชาติของสภาพแวดล้อมภายนอกนะความแปรปรวนของกายของใจ ม็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องสังเกตนะต้องดนะูแล้วเราก็สามารถที่จะทำใจนะปรับใจนะกับความแปลปวนนะของกายของใจนะของสภาพแวดล้อมถ้าเราปรับตัวไม่ได้นะเราก็จะทุกข์นะเราก็จะรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจนะอย่างเช่นอากาศเย็นมกนากๆ นะถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าที่อบอุ่นนะก็อาจจะอากาศเย็นบางทีอาจจะเป็นไข้ไดนะ้ตึงตรงนี้เราก็ต้องอาศัยสติปัญญานะในการที่จะปรับตัวของเรานะให้สอดคล้องนะกับความเปลี่ยนแปลงแปรปรว น, นของอากาศในส่วนของจิตใจนะถ้าเราสังเกตดูให้ดนะีในแต่ละขณนะในแต่ละ ช่วงเวลาเนี่ยนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวนะที่เป็นตาใจนะเข้าไปดูเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ให้ทันนะเพื่อที่จะได้ปรับจิตปัจจัยของเรานะให้มันสมดุลนะเป็นปกปตินะอยู่บ่อยๆความเป็นปกปติหรือความสมดุลของใจเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เป็นพื้นฐานนะ่ะที่มันมีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะ่ะไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันความนึกคิดปรุงแต่งนะตรงนี้ก็ทําให้เราอาจจะน่ะพัดหลงนะไปยินดียินร้ายนะพอใจไม่พอใจนะในความแปรปรวนของอารมณ์ต่างๆนะหรือแ ม, ม้แต่ความแปรปรวนของอากาศ นะความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราได้เจริญสตนะิบ่อยๆนะตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติสุขได้นะปกติทั้งกายปกติทั้งใจนะอันนี้ก็อาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะซึ่งความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สติอย่างเดียวนะมันเป็นปัญญาด้วย นะไปพร้อมๆกันปัญญาเนี่ยมันจะต้องอาศัยการดูแล้วดูอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะไม่ใช่ดูครั้งเดียวแล้วมันจะเกิดเลยนะเรียกว่าต้องดูกันบ่อยๆนะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะของร่างกายของจิตใจเนี่ยเป็นธรรมชาตินะทีเ่เขาแสดงตัวออกมาให้เราดูนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูบ่อย น่ะเราก็จะฉลาดขึ้นน่ะเรามีปัญญานะเป็นปัญญาที่เกิดจากการอ่าได้สัมผัสได้เห็นไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดนึกหรือจินตนาการขึ้นมานะเป็นปัญญาที่เกิดจากการสัมผัสความจรงิงน่ะของอารมณ์น่ะของความนึกคิดต่างๆนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมานะเป็นปัญญาที่เหนือคิด นะเป็นปัญญาที่เหนือสิ่งที่เราจินตนาการนะเพราะฉะนั้นตรงนีนะ้ก็เป็นสิ่งที่แต่ตอนนี้เราเสามารถที่จะดํารงชีวิตนะอย่างเป็นปกติศพไดนะ้ในส่วนของกายเรานะก็แก้ไขบรรเทานะมันปวดมันเม่อยเราก็จะอาจจะเปลี่ยนไอเดียบทได้แต่ว่าความทุกข์ในใจ เ, นนะเราละะได้ ท, ทันทะีด้วยความรู้สึกตัวนั่นเอง เนะเพราะนั้นความทุกขทางใจเนี่ยถ้าความรู้สึกตัวเราชัดนะถ้าเราเห็นทันเนี่ยนะเพียงแค่มันจะเกิดขึ้น่ก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยเราก็รู้หละนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทางานละเพราะทำงานของเขาอย่างรวดเร็วนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องหมั่นนะเนี่ยเียนพยายามนะทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆนะแต่อย่างว่านะั่นแหละนะ ในการที่เราจะเข้าไปรู้ธรรมชาติเนี่ยนะบางทีมันก็มีอุปสรรคมีสิ่งที่มาขวางกัน้นนะอย่างเช่นความง่วงเหงานอนความเบื่อนะความฟุ้งซ้านนะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่จะมาฉุดพัง้งนะให้เราเลิกละความเพียรพยายามก็มีทางเดียวเราต้องทวนกระแสไปเลยนะเราก็ไม่ยอมื่องก็ไม่นอนถ้าเป็นกลางวันนะ แต่กลางคืนนี้ก็ต้องนอนนะฟุ้งซ่านนะแล้วก็รู้ให้ทันนะแล้วก็กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะให้ได้บ่อยๆนะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จะแก้ได้นะสิ่งเหล่านีนะ้เป็นสิ่งที่ม า, ามาทดสอบนะกำลังของเรานะว่าเราจะผ่านได้ไหมนะอุปสรรคพวกนีนะ้ถ้าเราผ่านไดนะ้ความเนื่องมันจะกลายเป็นความตื่นทันที นะเรียกว่าจะแปลเปลี่ยนไปทันทีนะความสุดความฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นความสงบนะขึ้นมาทันทีนะถ้าเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันะฉงนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าจะว่าเป็นอุปสรรค ก, ก, ก็ก็ได้หรืออาจจะเป็นปัญญาชู ก, กำลังก็ได้นะมันช่วยทาให้เรามีความเข้มแข็งขึ้ น, นนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งทีเ่เกิดขึ้นจากการที่เร า, เามีความแยกคลาย ในการที่จะสังเกตในการที่จะดูในความเพียรพยายามยานะมีขันตินะที่จะผ่านอุปรสรรคเหล่านี้ได้นะโดยเฉพาะอยิง่งอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือความยินดีมานะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะที่เราเรียกลมรียกว่ากวามมั่นสุขนะนะนะไอตัวนี้แหละนะที่มันทําให้เรารู้สึกมีความสุขมีความสบาย นะซึ่งตรงนี้บางทีทําให้เรานิ่งนอนใจนะเราคิดว่าเรามีความสุขแล้วนะเราพอแล้วเราหยุดแล้วนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะการมาสุขนี่เป็นเหยื่อล่อนะที่ทําให้เราหยุดยั้งนะหรือว่าเอ่อไม่ทําต่อนะโดยเฉพาะยิ่งเราอยู่ที่ปัตตานสุกโตเนี่ยมีว่าเวลาสภาพแวดล้อมเนี่ยอ้วนหนุยนะให้เรา อย่อย่างสบายๆนะได้ซึ่งไอาการสบายๆเนี่ยนะมันก็เป็นบ้าไปก็เป็นการมาสุขอย่างหนึ่งนะถ้าเรายังเฉื่อยเหนื่อยนะไม่กระตือรือร้นนะไม่เต่นตัวนะในการที่เราจะเจริญสตินะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเอื่อยๆนะโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะตรงนี้นะก็จะทาให้เวลามันผ่านไป โดยที่เราจะเสียประโยชนะ์ที่เราจะม า, เ, าเข้าใจาธรรมชาตนะิหรือความจริงนะของกายของใจนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ยากขายนะในการที่จะรู้ทันนะสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นความสะดวกสบา ย, ยจริงจริ ง, รงมันก็ดีนะแตนะ่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังถ้ามันสบายเกินไปนะมันก็จะมาให้เกิดความขี้เกียจขีค้คร้าน นะทำให้เราอ่อนแะอทำให้เราไม่สามารถที่จะทวนกระแสนะของสิ่งที่เราเรียกว่าการไปไดนะ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราไม่ก้าหน้านะในการที่จ ะ, จะเจริญสตนะิเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ามาบ่นทอนได้เพราะนั้นในระหว่างทางที่เราเดินผ่านไปนนะในการที่เราจเจริญสติเนี่ยนะ มันจะมีสิ่งที่มาทดสอบเราอยู่นะตลอดเวลานะทั้งสิ่งที่เป็นความอึดอัดขัดเคืองทั้งเป็นสิ่งที่น่ายินดนะีทั้งเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเรามียอย่างเดียวก็คือต้องผ่านนะผ่านทุกๆอารมณนะ์ที่เข้ามานะแล้วก็ให้ธรรมชาตนะิที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ก็คือความเป็นปกติเนี่ย เขาได้แสดงตัวของเขาไดนะ้อย่างเต็มที่ณนะตอนนี้เนี่ยมันก็จะทําให้อ่าชีวิตของเรานะ่ยมีความเป็นปกติสุขนะ่ยอยู่บ่อยๆนะีซึ่งอันนี้นี่แหละนะ่ยที่เป็นชีวิตชีวาที่แท้จริงเป็นความสุขนะ่ยที่มีอยู่แล้ว น, ะในใจจ่ยในจิตใจของเรานะ่ยที่เขามีอยู่อย่างนั้นเนะ่ยนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้น นะเพราะเราไปคุ้นกับความสุขความทุกข์ความพอใจไม่พอใจนะซึ่งตรงนั้ น, เ, นนะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนและมีความแปรปรวนนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูนะต้องใช้ตาในที่แหลมคมซึ่งตาในที่แหลมคมหรือสติหรือความรู้สึกตัวมันก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีความเพียรพยายาม ที่จะทำอย่างต่อเนื่องนะทำให้ตรงนะทำให้ถูกนะซึ่งตรงนี้นะ่ก็เกิดเป็นผลนะที่เกิดขึ้นจากการที่เราทาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะเรียกว่าถ้าผู้ภาษาทั่ ว, วไปเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะเรียกว่าต้องทำกันต่อไปเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นส่วนของกิจนะเลยเป็นกิจที่เราจะต้องกรนะทําในการที่เรามีชีวิต นะเกิดขึ้นมาในโลกนีนะ้ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะ <c oughs> ทำได้ง่ายๆนะโอกาสอย่างนี้ไม่มีง่ายๆนะคนทั่วไปนั้นหาโอกาสอย่างนี้ยากนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะไปมุ่งที่เรื่องของวัตถนะุเรื่องของความสุขาจากวัตถุภายนอกนะซึ่งก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนะในการที่จะหาเงินาทอง แตนะ่งในยุค ป, ปัจจุบันนี้ค่าของชีพค่อนข้างสูงนะก็ลําบากพอสมควรนะส่วนพวกเรามาอยู่ที่นี่เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องพวกนั้นเลยนะเพราะฉนั้นก็ถือเป็นโอกาสของพวกเรานะที่จะได้ใช้เวลากับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะที่จะทาใหเ้เกิดมีขึ้นมานะแล้วก็เป็นการพิสูจน์ นะสิ่งที่พุทธองค์นะได้ค้นพบนะ่ะเลคุบาอาจารย์นะ่ได้ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันนะเราไม่ต้องไปค้นหาเองแล้วนะ่ะพุทธองค์ได้ค้นหาไ้แล้วนะได้ชี้ทางให้เราแล้วคุบาอาจารย์นะในรุ่นต่อๆมาท่านก็ได้พูดให้ฟังนะด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายเรามีอย่างเดียวทาลงไปนะแล้วก็ ดูมันนะผลที่มันเกิดขึ้นนะเป็นอย่างไรนะบางทีก็ ล, ล้อลรบกุกคารนะบางทีก็พอไปได้นะอันนี้เราก็เรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะทำต่อไปเรื่อยๆนะจนถึงที่สุดนะความทุกข์เนี่ยมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะหรือเกิดประจักษ์แจ้งขึ้นมาในใจของเรานะซึ่งตรงนี้นะเป็นสิ่งที่เรา มุ่งหวังนะเป็นความมุ่งหวังของมนุษย์เราทุกคนนะถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดนะที่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะพึงมุ่งหวังนะก็คือความพ้นทุกข์นะที่ประจักษ์แจ้งขึ้นมาในใจนะความพ้นทุกข์เล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะเริ่มจากความที่เราได้สัมผัสกับใจที่เป็นปกตินะทีละนิดที่ละหน่อยนี่แหละ นะมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเป็นความเป็นปกตินะที่ต่อเนื่องยาวนานนะแล้วก็ความพ้นทุกนะที่เป็นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยนะก็จะแสดงผลออกมาอย่างชัดเจนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความมุ่งหวังของชาวพุทธทุกคนนะที่เรามุ่งหวังในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ นะเพราะนั้นถือเป็นโอกาสนะเป็นโชคเป็นลาภของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องพวกนีนะ้เพราะนั้นก็ขอให้พวกเราเไดา้มีความเพียรพยายามกันต่อไปนะมีอุปสรรคขวางกั้นอย่างใดก็พยายามฟันฝ่าต่อไปนะด้วยความเพียรด้วยความพยายามนะด้วยความตั้งใจเนะพื่อที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ พระพุทธองค์ได้ชี้เอาไว้หรือคูบาอาจารย์ได้ชี้เอาไว้นะาาน อ, นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรานะได้มาร่วมกันใช้ชีวิตนะที่วัดป่าสุกโตเนะพื่อการนี้โดยเฉพาะนะส่วนการงานอื่นๆนะก็เป็นสิ่งที่มีขึ้นเป็นครั้งคราวนะส่วนนั้นเราก็ช่วยกันร่วมกันนะงานส่วนรวมนะก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะนั่นก็เป็น ควาเป็นปกติสุขของสังคมแต่พราะะฉนั้นนอกจากเราจะมีความเป็นปกติของกายของใจแล้วนะความเป็นปกติของสังคมของชุมชนนะ่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะร่วมกันนะในการที่จะทํำกิจเหล่านีนะ้ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ชุมชนสังคมก็มีความเป็นปกติสุขอีกด้วยนะนี้ก็เป็นส่วนที่ นำเสนอนะแล้วก็ชักชวนเชิญชว น, ชวนนะในการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุขโตนะในวันนี้นะก็เป็นสิ่งที่จะขอนำเสน อ, นะ อ, อไว้ยเพลงเท่านี้นะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอากุลของพระศรีรัตนตรยัยนะก็คือ พ, พระพุทธธรรมพระสงคนะ์และค ว, วามเพียพรพยายาม นะของทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันนะเจริญสตินะมีขันติมีความอดทนมีความเพียรพยายามนะจงเป็นพระวะัตปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านนะได้ประจักษ์แจ้งนะถึงที่สุดแห่งกองทุกในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร